คิดตึงใจจะขาดแล้ว คิดถึงที่เคยได้ชมไดเยใจชืนใจคิดถึงรอยยิ้มเผาพริมผงใสคิดถึงจนใจจะขาดรอนรอน เได้นุนตากนอนกี่ถึงแต่เสียงกระซิบอ่อนสอนคี่ถึงจนนอนละเมอทุกวันสัมผัสรักน้อมอ้อมกอดจะอ่อนอดนุ่มนวลชวนให้ฝัน อย่างฝังใจยืนทั้งคืนทั้งวันเราเคยรักกันลืมแล้วหรือดวงใจกี่ถึงใจจะขาดร้าวรอนกี่ถึงความผ่อนให้สะท้อนรำไป แต่รถจุ่มพิติดใจคี่ตัวนอะไรไม่รู้ลลอสัมผัสปลักน้อมอ้อมกอดเชืออ่อนอดหนุ่มนวลชวนให้ฟัน ยังฟังใจชื่นทั้งคืนทั้งวันเราเคยรักกันลืมแล้วหรือดวงใจคิดถึงใจจะขาดราวรอนคิดถึงความผ่อนให้สะท้อนรำไป ถึงแต่รถจ่มปิติใจคิดทวนอาลายไม่รู้